วันอาทิตย์ที่ 13 เมษายน 2537 ท่านโยมบรรยายพระอภิธรรม 3 และเป็นครั้ง 8 ดวง อ่าได้มาถึงจุดที่ผมได้ 8 ดวงนั้นโดยประเภทโดยส่วนประกอบของความเป็นมหาวิทยานั้นปรากฏ อันจุดหลักๆสําคัญว่ามหากุศลมีส่วนประกอบ 3 ส่วนชั้นใดมหาวิทยาก็ประกอบด้วยส่วนประกอบหลัก 3 ส่วนชั้นนั้นเหมือนกัน แล้วก็เป็นส่วนของความเป็นอสังขาริกพวก 1 แลเป็นสะสังขาริกที่แปลว่า คือเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยญาณอย่างที่กล่าวว่าต้าหลานจิตอย่างมหากิริยาจิต 8 ดวง ไม่หน้าที่จะเกิดมหากิริยาที่เป็นญาณอวิปยุตคือ มีแต่ความดีในส่วนอื่นแต่ปราศจากปัญญาซึ่งถือว่าเป็นคุณแล้วเป็นผู้ที่ถือว่ามีญาณตลอดเวลา พระอรหันต์นั้นควรจะเป็นผู้ที่ และส่วนหน้าคือส่วนของเวทนาเนี่ยก็อาจจะมีความคิดแบ่งเป็น โดยเฉพาะเมื่อเกิดปากิริยาขึ้นหรือเมื่อทำบุญที่พูดนั้นชื่อว่าเป็นผู้มีอุเบกขา ร่างกายถูกต้องใจคิดนึกควรจะเป็นอุเบกขาเพราะว่าอุเบกขานั้นเป็น จึงเป็นญาณสัมปยุตต์บ้างเป็นญาณวิปปยุตต์คือเหตุประกอบการกระทําใดที่เป็นการ ปรากฏการณ์ใดๆที่ไม่ได้เกี่ยวกับบุญกิริยาเป็นเรื่องลอกโลก โดยมากน่ะพูดเช่นบางทีอาจจะเป็นโมหะมูลติ 2 ดวงดวงใดดวงหนึ่งหรือเป็นโทสะแรงบ้างอ่อน ประกอบจิตใดๆเนี่ยที่ถือเป็นจิตส่วนใหญ่เป็นความเคลื่อนไหวส่วนใหญ่เป็นพฤติกรรมส่วนใหญ่ของเรานั้นจะเป็นการกระทําด้วย อ่าแม้จะทําเป็นกรรมฐานแล้วก็อย่างปากกันอยู่บ่อยๆแต่นี้ไอ้ตรงนี้น่ะบ้างก็แปลนั้นท่าน หรือจะแสดงพฤติกรรมอย่างที่ไม่มีความหมายในทางเนี่ย จิตของท่านนั้นมีโอกาสเป็นญาณเหลือวิปยุต มันเป็นเรื่องที่ไม่ได้อยู่ในฝักวายของเนี่ยเรียกปูขาด อีกกรณีหนึ่งก็คือการประกอบบุญญกิจิยาในบุญญิยาสิฐนะครับในบุญญิยาสิฐนั้นได้ การติงสังเคราะห์เป็นภาวนาใหม่การแสดงธรรม ก็เป็นญาณณวิปยุตหรือการช่วยเหลือคนอื่นวยาวัจจะการกราบๆนี่นะครับก็เป็นฝักณวิปยุต แต่ถ้าหากว่าเมื่อใดท่านประกอบบุญกิริยาที่เป็นปากปลายของปัญญาเช่นธรรมภาวนาก็ดีหรือการฟังธรรมก็ดีการ เป็นปัญญาที่มีความลึกซึ้งและกว้างขวางกว่าธรรมดาธรรมดาก็หมายถึงคนธรรมดาทั่วไปอย่าง กล่าวได้อย่างลึกซึ้งแล้วก็ปัญญาทํางานได้อย่างเป็นพิเศษเพราะนะฮะบุญกิริยาบังคับทําให้พระ อ่าที่ที่ว่าอเมริกาตัวน้อยมันนั้นพระอรหันต์อาจจะไม่ครั้งที่เป็นเป็นธรรมเนี่ย ความชํานาญที่ได้จากปัญญานั้นๆเพราะฉะนั้นตรง ตรงนี้เป็นตัวเด็ดขาดเลยว่าท่านจะทําตามแต่ถ้าหากว่าพระอรหันต์นั้น อ่าเดี๋ยวก็พูดให้ฟังว่าอย่างปุถุชนเนี่ยเราปรารถนาเพื่อจะได้ปัญญาในการฟังธรรมปรารถนาเพื่อจะได้ปัญญาใน ถึงญาณจันนันจะมีและจะปรารถนาจะได้ ปัญญากลายเป็นว่าเป็นของยากกว่าง่ายเราปรารถนาแล้วค่อนข้างยาก อโอกาสที่เราเนี่ยธรรมะไปบวชไปเรียนอะไรก็ตาม 2 สัปดาห์เดือน 2 1 ปรรษา 2 3 ปรรษา 4 ปรรษาทํา แต่พระอรหันต์นั้นท่านสําเร็จตามตามใจปรารถนาเช่นท่านกําลังข้ามถนนถ้าท่านมรรคกิจการจะให้เกิดปัญญา กระกระบาลอันท่านกำหนดจิตให้ได้ปัญญาในเรื่องต่างๆได้ทุกอย่างเพราะเปิดหนังสือพวกอ่างท่านเห็นคําว่าฐานาฐานะแล้วก็กําหนดจิตว่าคืออะไร ข้ออาลัยอย่างหนึ่งได้อย่างง่ายๆเพราะเหตุ 2 อย่างอย่างหนึ่ง ถึงคําว่าทุกข์แล้วถึงคําต่างๆเนี่ยท่านท่านถึงแล้วท่านจึงสามารถธรรมมณสิการถึงเรื่องนั้นๆได้โดยง่ายโดยสะดวกเพราะฉะนั้น แล้วพระโมคคัลลานะก็แย้มพระลักขณะเห็นพระโมคคัลลานะ อย่างเช่นเช่นการมีเนี่ยเห็นเห็นเปล็ดตาติดทําไมลําปลาลักษณะไม่รู้ไม่เห็นเปรตหรือแล้วก็ไม่เห็น ปรลักขณะก็มีปรากิจตะหรือเจโตปริยทําไมไม่ดูทําไมไม่ทราบท่านเค้าบอกว่าที่ไม่รู้นั้น คือเราอย่าลืมว่าจิตของเราเนี่ยจะเป็นจิตฉลาดจิตโง่มันรับอารมณ์ได้ดีละอารมณ์อารมณ์ในโลกเนี่ยมัน 180,000 ประการนะอย่างเช่นเรากําลังมัธยกรรมทําอยู่เราก็ไม่ได้มัธยกรรมเรื่องอื่นเหมือนกับคนศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่เนี่ยเค้าฉลาดเรื่องนั้นเค้าก็เลยอาจจะโง่เรื่องอื่นไม่ เนี่ยมันก็ค่อยใช้กับอารมณ์แล้วแต่ลักษณะเนี่ยปราหลันคืออันนี้ไม่ได้บอกแต่ว่านั้นพลักขณะอาจกําหนดอีกเค้าเรียกว่าโคจรสัมปชัญญะอยู่นะฮะโคจรสัมปชัญญะเนี่ยหมายความหมาย ก็เจริญสติปฏิปทาน่ะอางว้างง่ายๆเจริญปฏิปทาเป็นโคจรสัมปชัญญะกําลังทํา เมื่อใดท่านมนตีกาลท่านก็เกิดญาณสัมปยุตในในทุกๆเรื่องที่ประสงค์ในทางปัญญาเนี่ยก็มีค่าเท่าแล้วก็เป็น ถ้ามัณเฑศการในทางปัญญาก็เกิดญาณวิปยุตแต่มัณเฑศการด้วยปัญญาว่าอาหารที่อาจจะมุมในมุมวิปัสสนาก็ได้ก็ไม่อยากที่ท่านจะพิจารณารส ไอ้ 2 อย่างเนี่ยต่างกันที่คืออลินก็หมายถึงปราสาทอินทรีย์ลดก็หมายถึงลดที่ ก็และนี่เรียกว่ามนัตติการเป็นปัญญาก็ได้ทันทีแล้วก็ถ้ามนัตติการเป็นอย่างอื่นกรรมสกกตาปัญญาหรือที่สูชุกังเช่นเมื่อรับ<ๆ> ภาพพระอรหันต์องค์นั้นได้อภิญญาญาณก็ถ้าหากว่าไม่ได้ถึงกับได้พละเนี่ยกําหนดรู้ว่า ถ้าเกิดเคี้ยวๆอาหารไปแล้วอันนี้สมมุติเอานะยังนึกไม่ออกว่าสมัยนั้นเนี่ยก้างปลาติดฟันติดเหงือกเนี่ยก็กําหนดว่าเป็นวิบากอกุศลวิบากอะไรที่แทรกเข้ามากับการเถอยกุศลวิบากในขณะนี้ก็ตามมนาธิการก็รู้เพราะนั้นแม้แต่การไปบินทํารบาดได้ไม่ได้บินรบาดด่าเขาด่าเอาเขาให้ด้วยความเคารพนอกๆเหล่านี้ รู้เลยว่ามันเกิดจะวิบากว่าไปบิณฑบาตวันนี้มันจะเกิดอะไรทําไมถึงไม่ได้ไปหรือบางทีที่เกี่ยวเส้นเรื่องร้าย 3 เดือนผู้นิมนต์ ที่ไปทําให้คนนิมนต์เค้าลืมเนี่ยเอ๊ะเราก็เลยได้ถึงข้อคิดว่าใครก็ๆอันเนี้ยถ้าแน่ๆไอ้ของ ตามภูมิปฏิบัติธรรมเท่าที่เราเข้าถึงในแต่ละคนแตกต่าง แต่ถ้าหากว่าเราอ้างอํานาจของอารมณ์หรืออํานาจของบุญกิยาเนี่ยเราก็อ้าง บางเรื่องเนี่ยต้องตามเรื่องก็ต้องตามจี้ต้องตามคิดบางทีต้องคิดต้องเอาเอ่อกึนไว้ในความรู้สึกข้ามคืนเลยตื่นขึ้นมาให้มันคิดต่อหา ละหรือถ้าเป็นการฟังผู้อื่นพูดผู้อื่นเขียนในระดับที่ไม่ใช่เป็นพระ ไอ้โดยที่โดยบิญาก็อยู่ในฝักฝ่ายของบิญาอยู่แล้วแต่ว่าถ้าธรรมะนั้นได้รับการอรรถาอธิบายดีแสดงธรรมดีอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบดีอย่าง อยู่ในระดับเดียวกับเปล่าเนี่ยเราก็จนสึกว่าอ่านแล้วเข้าใจดีเป็นพิเศษนะอันนี้ครับ คือท่านไม่ได้คิดไม่ได้เอ้ามีบทธรรมผมจะลอง ตามรู้อะไรนั้นเป็นส่วนหนึ่งด้วยแล้ว ก็เนี่ยล่ะถือว่าเราปล่อยอิสระนะฮะจะได้ดูตัวเองว่าเรานะฮะแต่ที่ ไส้ภิกษุทั้งหลายได้สดับได้ทรงจําและนําเอาไปศึกษาศึกษาเนี่ย 2 2 2 ปัญญานี้อยู่ คารมณ์และบรรทิชควรพิจารณาเนื่องๆอภินหปัฏฐเวกเสรีนามอภินหปัฏฐเวกที่แปลว่าพิจารณาเนื่องๆนั่นเอง 5 ประการเป็นไฉนคือสตรีบุรุษคฤหัตและบรรพชิตควรพิจารณา 1-1 ว่า 1 เรเรามีความแก่เป็นอ่าเรียกกันตรงเร 2 เก็บไข้ธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้พยาทิงเก <c oughs> 3 ไม่ล่วง 4 เราจะต้องทัดทราบจาก มนาเปตินานาภาโววินาภาโว 5 เรามีกรรมเป็นของตนกรรมัสสะโกมิเป็นทายาทของกรรมกัมมะทายาโท ยังยังกรรมังกริสสามิก็ดีอ่าถ้าโลดดีก็ตามกัลยาณังวาชั่ว เออเวลาเราสวดละสวดแค่นี้ใช่มั้ยอะปินหะไหนใครเคยสวด แล้วเวลาเราสวดเนี่ยเราจะเห็นว่าๆพิจารณาอยู่ๆไอ้ๆแล้วว่าเมื่อเวลา ยิ่งไม่ตั้งใจไม่ปึงใจไม่สตาไม่ไต่ใจแต่แรกก็ไม่สู่จะได้เนี่ยท่าน แล้วก็สายของวิปัสสนาปัญญาพวกเรื่องเกิด เป็นอย่างดีว่าที่ท่านตรัสขยายความเป็นลำดับนี้นะครับ ซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายประพฤติทุจริตด้วยกายวาจาใจ คนที่มัวเมาในความเป็นไม่ไม่ได้แปลว่าคนแก่แล้วมัวเมาไม่ได้นะ ก็จะเกิดความรู้สึกว่าคือมันไม่ไม่แล้วก็รู้สึกว่าชักจะมีเสียงเรียกอ่ะนั่งบนรถสายออกมา เพราะว่าแก่อายุยังไม่ถึง 20 เราคงเป็นรุ่นรุ่นลุงจะได้นะเอ๊ะนี่ถ้าเราไปมองคนที่อายุมากกว่าเราแล้วก็ชื่นใจจริงมั้ยล่ะ บางบางน้อยบางก็แล้วแต่ 2 กล้าใสอํานาจอะไรสตรีบุรุษกริหัตหรือบรรพชิตควรพิจารณา พิจารณาฐานะนั้นดำเนินอยู่ย่อมรักความมัวเสมอที่เราเรียก คนหลงตัวเองจะหลงในเชิงไหนในมุมไหนก็ล้วนๆจิตใจเป็นอกุศลอย่างนั้นอย่างนี้ทั้ง คนพวกนี้ที่มีร่างกายแข็งแรงอย่างพวกนั้นเองเนี่ยก็โดยมากที่มีเพราะเป็นโรคอย่างเอผมก่อนนึกว่าจะไป เป็นผู้ดูแลเรื่องโรคเองก็จะลองไป เราคงไม่ซวยขนาดจะเป็นโรคเอดแล้วและโดยสูงก็เป็นพอเรามีความตายเป็นธรรมชาติไม่หลวง <ส าม, S 1> 1 เมือง 1 เมืองคือถ้าทําเมื่ออ่าโอกาสแห่งการกระทํากรรมฐานนั้นมาถึงแก่บุคคลนั้นแต่ พิจารณาเช้าพิจารณาก่อนนอนนะอย่างบางคนก็ตื่นขึ้นมาๆเนี่ยนะครับเราควรจะ เรเรเราก็จะพิจารณาเช่นในทรงกระจกมองเห็นหัวขาโตนพิจารณายืนจ้องแทนที่นึกแม้เรายังเหมือนๆตัวไปนะเราก็มาพิจารณา ผมก็แอบๆแอบๆขโมยพิจนาคนแก่อยู่เลยล่ะที่จะ แล้วก็บางคนก็ใจบุญหน่อยนี่ก็ดีเราก็เห็นแล้วก็ไปพิจารณาบาง บางทีก็พิจารณาในอย่างเวลาเนี่ยก็ก็ได้เจอ 2 3 ครั้งแล้วก็มีคนจีนคนเหนืออายุเยอะ ไอ้เครือฟักบัวป่ะที่ว่าสําหรับทาวฐานน่ะทาวฐานตาก เคยเคยอันถามอ่ะถามบอกว่าเนี่ยอันคือจะขอซื้อยังไม่ได้จะถามราคา ลุงไม่ขายผมผมจะให้เงินลุงก็ก็ก็ก็อะไรอยู่ก็ <icos> 20 เรเราก็จะไปเอาไม่แกไป เอาเงินไปยัดเยียดให้อย่างตัวๆหรือเราก็โฉบกับๆน้อยๆๆๆ <c oughs> เอ่อเราเราไปยืนริมถนนเอาโผล่มาเอาเจอรถทันเป็นเรื่องที่มี เนี่ยครับเรียกว่าถ้าพิจารณาอย่างนี้แล้ว จะมีสํานึกพวกนี้ติดอยู่ในความรู้ นี่แต่จะหดกลับมีแต่อย่าเกิด ซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายประพฤติอยู่ย่อมละความมัวเมาในชีวิตนั้นได้โดยความมัวเมาในชีวิตความมัวเมาในความไม่มีโลกความมัวเมาในความเป็นหนุ่มและ เราเมากันตลอดได้ตลอดชีวิตนะครับก็คือความมัวเมาในชีวิตถามว่าความมัวเมาในชีวิตนั่นเมายังไง ใครจะว่าเราไม่ดีลูกชู้ตัวดําจา และความมัวเมาอื่นใดที่ยึดเอาเรื่องของความชราออกไปเสียเรื่องของความเจ็บคล้ายออก ที่เราเรียกจริงๆเนี่ยก็คือๆเลยรักรักแบบหลงตัวเองไม่คิดว่าตัวเองจะตายที่เรียก อาจจะอายุมากแล้วแต่ว่ายังดูพฤติกรรมเนี่ยเค้าเค้าว่าพฤติกรรมเนี่ยมันส่อว่าเค้าต้องคิดว่าเค้าใจยัง ไม่ชอบให้ใครพูดเรื่องตายจริงๆคำว่าเรื่องเป็นเรื่องตายเนี่ยเป็น ประการที่ 4 เพราะอาศัยอำนาจประโยชน์อะไรสตรีบุรุษจริหัตบนๆเลยปฏัยากรว่าความพอใจ ด้วยกายวาจาใจเมื่อเขาพิจารณาฐานะนั้นดืนอยู่ย่อมเอ๊ะที่นี่ลืมไปลืมไปว่า <laughs> หลักใครชอบใจอะไรเนี่ยเราไม่อยากจะปลากๆจารักษ์ๆในความๆว่าคับคลั่ง ตรงนี้เราก็บางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วทําไม 5 สุด เพราะอาศัยอำนาจประโยชน์อะไรสติปัฏฐารมณ์ก็นั้นตรัสว่ากายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริต เมื่ออยู่ย่อมละพิจารณาฐานะนั้นดําเนินอยู่ย่อมละเนี่ยเราก็เห็นว่าถ้าเราความประสงค์ที่จะทํา ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอัตในนี้เนี่ยในเอกสารผม มีการไปการมามีการจุติอุบัติล้วนมีความแก่เป็นเมื่ออริยสาวกนั้นพิจารณาฐานะนั้นดำเนินนั้นย่อมเสพอบรมทําให้ อนุสัยที่ได้กิเลสนอนเนื่องย่อมสิ้นไปเนี่ยที่จริงๆแล้วถ้าเอามาพิจารณาอย่างเป็นตัว เรื่องเรื่องเจ็บเนี่ยมันอยู่ในเป็นพระอริยบุคคลละอนุสัยกิเลสได้กรณี ต่อไปท่านกตตประกาศอันที่ 2 ว่าไม่ใช่แต่เราเท่านั้นที่มีความเจ็บใกล้เป็น ไปการมาการจุติล้วนมีความตายเป็นธรรมดาไม่ไป ที่มีการไปการมาจุติล้วนมีกรรมเป็น เราเองก็ต้องแก่คนอื่นเนี่ยถึงเมื่อกี้เค้ายังหนุ่มอยู่เราก็นึกว่าไอ้พวกเอ่ออย่า ตลกยนต์บางคนก็เป็นดาราเสียงก็เอ่ยชื่อแล้วเดี๋ยวก็ มันก็เกิดความรู้สึกโดยที่ไม่ต้องมีใครบอกหรอกแต่เราเมื่อ 3 ทุ่มน่ะผม ก็ไปแล้วก็ไปคุยเค้าก็ก็ในระหว่างคุยก็เล่าเรื่องที่แล้ววัน คนไม่ได้ไม่ได้กตว่าต่อฐานเนี่ยก็ยังจับไม่ได้คันังกาเต๋าว่าสามีไปไปเจ้าชู้น้อง ผมก็บอกเอ๊ะมันอาจจะคิด 2 อย่างมั้งคือก็ย้อนกลับมาดูอาจจะคิดว่าเมิน อรเมธันตั้งแต่มีเมธันก็ไปแข่งผลวดเสียในอกปรยาปรากฏว่าไอ้คนฆ่าก่อนตายก่อนสามีไม่ตายหลังนี่นี่ผมในแง่เรื่องกรรมเนี่ยว่าเออแล้วบริสุทธิ์ตายด้วยกันด้วยกันกันนี่เรียกทําบุญและร่วมทําบาปกันมานะ ก็เลยต้องมาเป็นอย่างนี้หลายที่คลั่งๆเนี่ยอาจจะเคยกล้ากันมาก่อนเองก็ดีหรือว่าอาจจะไปฆ่าคนอื่นอย่างนี่ก็เลยจะ หมดเลยทั้งมาบ่ตายนี่ทุกอย่างนี่เป็นของคนอื่นไปลูกเต้าก็ไม่มี อะไรเรื่องไม่ดีเราก็หลีกเว้นนี่ผมว่าผมจะเลิกสอนธรรมะไปขายก๋วยเตี๋ยวแหนงน่ะบักเงินได้ดูทีวีเออก็ยังดีกว่าเออมันตรงๆกับธรรมะที่เราพูดพูดไว้นะนี่ก็เลยเป็นตัวอย่างตัว ไอ้พวกกับเมื่อวานไปยาวๆพวกเจ้าน่ะที่คือก็พวกแล้วนะฮะเอ่อโดยแต่ก็เลยนี้แล้วก็มองนี้แต่มองแยกส่วนอะไรด้วยนะแง่ตรง <c oughs> เป็นสำนึกของผู้ที่เขามีธรรมะพระเนี่ยเหมือนกันเลยไม่มี แก่คนที่มีความทุกข์ด้วยเรื่องยากตายเราห่มนะไปตามวัดที่เค้า <c oughs> <c oughs> นู่นฉันตายไปคนแล้วกูยังไม่หนำใจเลยยังจะอยากให้ตายไปอีกด้วยเหรอ แล้วก็ว่าเนี่ยต่างคนต่างได้ต่างคนต่างมีกรรมของได้กรรมของ มันจะมีเสียงแว่วออกมาอันหนึ่งแกแกแล้วจะจะต่อมั้ยจะ ถ้าแกจะต่อสัญญาแกจะทำความชั่วต่อไปแต่แกจะเลิกสัญญาแกก็หยุดไอ้นี่มันเป็นเรื่องไอ้เขียนว่าแว่ว คิดมันก็จะดีคิดไปอีกอย่างมันก็จะดีและคนอื่นเขาก็จะได้รับว่าสัตว์ <c oughs> <c oughs> ย่อมมีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาสัตว์ทั้งหลายจะเป็น เก็บอยู่ก็แม่งพูดไอ้ถ้ายิ่งไม่กําลังแก่อยู่แล้วพูดว่า <c oughs> ในพวกสัตว์ผู้มีอย่างนั้นเป็นธรรมดาข้อนั้นไม่สมควรแก่เราผู้เป็นอยู่อย่างนี้ที่เป็นคําสอนเรานะผู้มีปกติอีกแบบหนึ่งต้องคิดอีกแบบหนึ่งต้องเข้าใจอีกแบบหนึ่งเรานั้นเป็น แต่ว่าในความไม่มีโรคอีกและในชีวิตนึงก็พูดว่าบวชใจได้ครอบงําความวัวเมาไม่มีโรคในความเป็น และอันหนึ่งนะที่ชัดนะเพื่อไม่ให้จะว่า ที่พุทธเจ้าต้องการตรงนี้สําหรับว่าจบรายการของว่าพระอรหันต์ที่เกิดคนอย่างเราฟังแล้วเราก็ เป็นอย่างมากอย่างมากถ้าเป็นพระอรหันต์ผู้ถึงธรรมถึงเหตุปัจจัยความถึงความแจ่มแจ้งใน จะไม่ได้มีบุพพาเจตนาเมื่อได้อ่านพุทธพจน์เหล่านี้เมื่อมีการนึกพุทธพจน์เหล่า โดยแน่นอนตลอดเวลาแม้หลับอยู่แม้ตื่นอยู่แม้เกิดญาณ อยู่ในสันดานของท่านปรากฏจิตที่มีปัญญาปรากฏนั้นจะเรียกว่าญาณวิปยุตติจิต ที่มีความฉลาดที่ไม่มีความโง่อยู่ในสันดานเหมือนอย่างเราที่เป็นผู้มีกิเลส แม้ไม่เกิดความโลภขึ้นเป็นผู้มีโทสะแม้เราเนี่ยมันก็มีมีแต่และทั้งนั้นแหละ พูดตามที่มีพูดหมดได้นั้นในคําว่าผู้มีความแก่เป็นธรรมดาคําผู้เพราะอะไรเพราะไม่ล่วงพ้น นี้อยู่ในปกติภาพของอัตภาพของทุกๆคนแล้วมันก็จะมาปรากฏเมื่อไหร่นั่นก็เป็นอีกเรื่องนึงมี เรื่องของความเป็นผู้มีจิตใจกล้าแข็งกับไม่กล้าแข็งอ่าแล้วก็อีกส่วนนึงคือโสมนัสอุเบกขาเดี๋ยวขอพูดโสมนัสก่อนก็แล้วกัน อันนี้น่ะเมื่อกี้ผมอ้างถึงฉลังอุเบกขาขอแยกออกไปซะก่อนนะครับว่าฉลังอุเบกขา ผู้ใดที่เมื่อประสบกับอารมณ์ที่น่ายินดียินได้แล้วเนี่ย เป็นฉลังุเปกขาซึ่งนี้ถือเป็นหลักใหญ่ในการปฏิบัติจิตทางพระพุทธศาสนาในทุกๆระดับครับและถ้าใครฝึกจิตให้เป็น แล้วก็ในทางหลักปฏิบัติเนี่ยก็ถือว่าอิตถานลมอนิทานลมเนี่ยนอกจากว่าเราไม่ทํา ถูกอนิจฉาลมทําลายเอาคนที่ได้ การมันไม่ไม่ใช่เบิกขาเวทนาใครที่ทําจิตได้นี้ใจยิ่งปองเผ่ามาก ผลรู้คุณค่าแล้วผูกใจได้อย่างนี้อารมณ์จริงมั้ยฮะทําได้ยากนี้ถ้าเราเชื่อมั่นในหลักการนี้เนี่ยเราว่าโอ้ อะไรที่เราซึมปิดตาปิดใจเราเนี่ยเราหาความสุขกำมันได้มั้ยโดยการทําใจให้ๆนะอันนี้คือเลยเป็นว่าหนัก <c oughs> อ่างออารมณ์ไม่ต้องไปขึ้นอยู่กับว่าอันนี้แหละคือ <c oughs> แต่จะเข้าใจแค่ไหนนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งทีนี้มาพูดถึงอย่างพระอรหันต์เนี่ยถ้ากล่าวด้วยอํานาจของเวทนาแล้วจะ เมื่อฟังธรรมท่านควรจะอุเบกขาหรือควรจะสมณัสมากกว่ากันสมณัสมากกว่านี่เรามองอย่างส่วนใหญ่นะสมณัสคือเกิดความผ่องแผ้วแล้วก็เมื่อชีวิตปกติของท่านเป็นไปในออกบิณฑบาตหรือไปทํากิจอะไรต่างๆเนี่ยจิตของท่านจะเป็น โดยที่จิตท่านเมื่อเกิดเป็นมหาตริยาเนี่ยก็จะเป็นสมนัสมากมีความ ไปดูหนังดูทีวีอะไรก็ตามมันจะสุขขึ้นขึ้นลงๆไปตามไอ้แรงกระตุ้นของอารมณ์ เมื่อกลางวันนี่หิวปากหิวทั้งทั้งก็ตั้งกวันสุขสาวอติจันสุขไม่เลิกนะนี่พอวนึกถึง หรือผิดในทางธรรมอารมณ์แม้แต่เข้าใจผิดอะไรนี้ก็ทําให้ใจมันก็เพี้ยนๆกันคนๆก็ดีคนที่ขัด ไม่ได้ปราลภทํานั้นอยู่ไม่ได้ปราลภบุญที่ทําแล้ว โดยที่ไม่ล่วงโกรธว่าอะไรทั้งน้องนี้งั้นจิตมันจะปลิกไอ้เวทนาด้านดีขึ้นมาปิติโสมนัสด้าน จึงทําให้คนที่เขาขัดเกลากิเลสมากๆหรือหวังไม่วาดหวังฝากความสุขกับอะไรแล้วก็รู้สึกไม่ตื่นเต้นกับไอ้ เป็นความสุขที่เบาด้วยฮะเราลองคิดดูจะไปไหนมันก็มันไม่ต้องไปหรอกเอาง มันทําให้เราได้ความสุขไม่ได้ถึงนั้นแล้วเราจะมีความสุขเนี่ยผมถึง เป็นคนมีกิเลสมากน่ะอยู่เฉยๆใจมันเป็นทุกข์มันพลิกกลับมาอีกด้านถูกมั้ยๆบ้างมันถึงจะได้ความสุข นี่คือกิเลสนั้นเป็นตัวที่ทําให้เสียความสุขอย่างนี้ที่เราพูดถึงปกติ ได้เหมือนกันในบางโอกาสในบางกรณีที่ท่านเกิดอุเบกขาในกรณีบางอย่างบางครั้งบางโอกาสบางเรื่องบางกรณีของบุญกิริยาท่านเนี่ยหมาย ทำนู่นดำนี่ในกิจวัตรที่มันไม่ก็เป็นจิตที่เป็นอุเบกขาบ้างเป็นโสมนัสบ้างไม่ได้เป็นโสมนัสเสียทุกคนไปบางคนก็เยอะนะฮะทั้งมีทั้ง 1 มาจากว่าพระอรหันต์นั้น บางองค์ก็ปฏิสนธิด้วยโสมนัสบางองค์ก็ๆมาว่าท่านผู้ใด ในบ้านเราเมืองเราเนี่ยครับบางองค์นั้นยิ้มนะยิ้มแย้มแก่ภรรยาไทยไตเสียว่ารับแถกดิเจรจาก่อนอะไรอย่างงี้นะนะไอ้อย่างอย่างองค์ ออกไปไปกราบท่านแต่ดูจากลูกจากอะไรเนี่ยทุกคนก็รู้สึกลง อุโดรธณีก็ท่านค่อนข้างเฉยครับบางทีถามคําถามอ่ะแต่คงก็แต่โยมก็นึกว่าเอท่านแต่ เรียนเห็นเลยก็อย่างองค์เนี้ยท่านอยู่มีปกติปฏิบัติธรรมเก็บตัวตลอดเวลาไม่ออกไปที่อื่นท่านอาจจะมีอุเบกขาคือพวกเราทัสตีกรรมบางว่าท่านอาจจะได้จานแล้วก็ <c oughs> จิตก็อาจจะเป็นมหากุศลอุเบกขาเฉยๆอันนี้ก็เป็นถ้าจะอ้าง มีลักษณะรับแก่บางท่านก็ไม่ชอบรับแก่ไม่มีลักษณะรับแม้แต่พระโสดาบัน อาจจะรัตถาศรัทธาไม่หวั่นไหวศรัทธามั่นคงศรัทธาแรงมากๆแล้วเนี่ยอื่นๆในกรณีปลีกๆบางเรื่อง dry line เพราะว่าท่านเองท่านก็มาจากปุถุชนที่มีการสั่งสมอะไรเนี่ยครับอย่างเช่นบางคนเนี่ยว่าเค้า เดิมมือผมเคยพูดถึงเรื่องไอ้จำนองนี้อย่างนะทีถ้านี่ถ้าเนี่ยเพราะว่าคุยทางโทรศัพท์แล้วผมก็กําลังเนี่ยผมว่านะ เองสมมุติเค้าไม่ดีในกรณีเนี่ยเค้าเนี่ยแต่เราก็พบ เราพูดถึงอย่างเทียบกับคนเนี่ยพูดถึงอย่างเทียบกับคนเนี่ยเราจะทําบุญเราต้อง ผมก็รู้สึกว่าคนนี้เนี่ยเป็นคนไม่ไม่ดีกับเราไม่ถูกกับเราก็ได้เนี่ยที่พระราชินีท่านก็เอา อีกส่วนหนึ่งที่ทําให้บ้านเมืองของเราเนี่ยหลุดรอดจากการบ่อนทําลาย แล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงบางคนพอดีก็เปลี่ยนแปลงมาเป็นคือบุคคลไม่ ได้บุญกุญและแม้ไม่รู้ก็เขาคนๆนี้จะไม่ทําอันตรายหรือจะทําอันตรายแล้วไม่ได้อันนี้ว่าถ้าคนคนใดเนี่ยเรามองคุณต่างๆนะว่า เอาเอาก็อาจจะเอาเอาเหตุผลในทางนี้มาพิจารณาอย่างนี้ เอาเงินผลเงินเอานอกประเทศไปสร้างวัดตีเรียบทําให้การดําเนินการค้าไม่รู้ผมจะถ้าถามผมผมว่าถ้าเนี่ยเรียกนะทําให้ชาติ จักรเราเนี่ยจะมีไอ้รัศมีของกุศลนิบากขยับไกล ทีนี้ที่ผมว่าให้ฟังเนี่ยเพื่อจะให้เห็นว่าคนที่เขามีศรัทธาในบุคคลใดบุคคลหนึ่งพระอรหันต์ที่มีศรัทธา ละเมื่อได้ประพฤติกูลเนนองค์นั้นดึกอัปปการอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็เกิดโสมนัสหรือพระสารีบุตรเมื่อจะนอนแต่ละคืนหรือเมื่อท่านทวารกะอาลาน อย่างที่จะเล่าคราวที่แล้วแล้วก็ไม่ทันนะเมื่อวานเนี่ยชื่อพระประมิทธิก็ไม่รู้ท่านถึงเรื่องธรรมะปรกลท่านตอบไม่ได้จะมาถามธรรมะท่านท่านไม่นั้นก็ไม่ ในในสิ่งที่ท่านไม่ชํานาญท่านอันนี้อาจจะเป็นเรื่องของปัญญาปละเป็นเหตุผลทางปัญญาปละใน และบางทีถ้าเป็นปุถุชนก็อาจจะไม่ <c oughs> ความสมบูรณ์ของปัญญาแต่ละชนิดในพระอารามที่ได้เนี่ยได้ไม่ไม่ไม่ เป็นผู้ทรงปรมัตถ์ทรงลาวิธรรมทรงบางส่วนหรือทรงเต็มปิฎกหรือทรง 2 ปิฎกถ้าอะไรที่อยู่ใน แล้วก็ไปเจอเหตุการณ์ที่สอดคล้องกับธรรมะในส่วน แต่ถ้าถ้าท่านละเล่าตัวอย่างที่ไปเห็นเนี่ยกรณีพุทธเจ้าเสด็จไป ข้อนี้เนี่ยก็คือการเห็นอานิสงส์หรือไม่ๆของบุคคลนั้นๆของเรื่องนั้นเชื่อ <decorate. S 2> ก็ทําแล้วเกิดสมนั้นแต่บางทีไอ้ตอนเกิดตอนบุกปาเจตนามุจนะเจตนาเจตนาอนิสงส์กับตอนแรกที่ปัฏฐาไว้แต่แรกอย่างที่เมื่อวานมี นะบางรอบที่ได้ที่หลังนี่ก็หมายว่าตอนนั้นก็คิดอย่างตอนนี้มาเห็นมาเข้าใจเป็นอย่างก็เลยไม่เห็นอานิสงส์ แต่ถ้าฉลาดพิจารณาให้ยิ่งขึ้นไปก็อาจอย่างบุญกุศลที่เราทําเนี่ยเราจะมองอานิสงส์ จะจะได้ปัญญาด้วยพิจารณาไม่ใช่แค่ศรัทธาเท่านั้นๆการๆด้วยทั้งศรัทธาและ กังบุปปเจตนามุญจนะเจตนาและอปรเจตนาทีนี้ปัญหาว่าแล้วพระ ลาหลานก็รับนิมนต์ว่าโดยประดุษณีให้สาบว่าจะไปฉันในวันรุ่งขึ้นจะหาช่องอย่างนั้นในสงฆ์ตรงไหน อนิจจังลำพังแค่ฉันมันก็ไม่มีอะไร ความเกื้อกูลแก่บุคคลอื่นอันนี้เค้าเรียกว่าเป็นอย่างนะก็อานิสงส์มันไปอยู่ที่คนอื่นหมดที่ท่านก็ จะเกิดอานิสงส์ขึ้นอย่างนี้กับเขา นี่ก็เช่นว่าอนิสงส์อย่างนี้แต่ถ้าหากอาจจะไม่รับไม่ที่จะไปอนิสงส์เช่นว่าเค้า เป็นไปได้นี่ก็ยกได้อย่างพอให้เห็นเท่านี้นะไม่แล้วท่านเกิดจะพิจารณาให้เห็นอะไรบางอย่าง คราวนี้อีกอย่างนึงสุดท้ายคือวิบากกรรมข้อเมื่อท่านได้รับอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีอารมณ์ที่ท่านโสมนัสได้ มานั่งอยู่ในที่ที่อากาศเป็นตัปปายะเสนาสนะเป็นอัตยะเราก็เกิดโสมนัสขึ้นได้ง่ายถือเป็นเครื่องประกอบอันหนึ่งหรือดีใจแกอย่างเราเนี่ยเวลาได้ความสําเร็จเราจะดีใจด้วยโลภะบ้างด้วย เอ่ออันนี้ก็เป็นไปตามอํานาจของวิบากกรรมเก่าที่ได้กระทําไว้ถ้าเป็นอารมณ์กลางๆๆเป็นๆเรื่อง แต่ชีวิตเราดีแล้วเราจะได้เราได้ใช้กรรมเก่านั้นไปคิดจน แต่มันก็เป็นไปอย่างไรก็เป็นไปได้ด้วยกันแล้วแต่เหตุปัจจัยแต่ บางองค์มีโรคเยอะนี่เป็นอุปสรรคทําให้ท่านไม่สามารถจะประกอบการต่างๆได้อย่างสาปุติกัตติทิศาเจละเป็นต้นดังนั้นท่านเป็นทารณแล้วท่าน นี่เป็นอุปสรรคพระสมคูรีมานออกไปเป็นบาดถูกกระปาหัวถูกก็ขว้างปลาด่าว่า ก็อาจจะเรียกว่าโสมนัสไม่ออกมันนี่ก็เป็นนั้นว่าครบสําหรับอสังขาริกสังขาริกเนี่ยเป็นเหตุเดียวกับที่กล่าวไว้ในเอกสาร ส่วนนิบาตที่เป็นอสังขาริกหรือสังขาริกนั้นก็เป็นข้อกําหนดตั้ง เนี่ยออกจากนิโรธใหม่ๆออกจากฌานใหม่ๆไม่ จบใช่มั้ยเดี๋ยวท่านเจนวาเอทําไมมี